ขอรับน้อมต่อคุณพลัตนาวใโอกาสพระอาจารย์ยุกิเพื่อนรัตธรรมทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านนั่งสบายๆเนาะรู้สึกตัวไปก็ได้นะเอาการรู้สึกตัวเป็นหลักการฟังเป็นรองนะตอนนี้เราจะเอามือติด ต, ตีนะหรือพิกมือความพิกมือหงายก็ได้เนาะให้รู้สึกตัวไปด้วยแล้วเ <c oughs> นะมื่อกี้เราก็ได้สวดมนะบทสติปัฏฐานสนะี่เนาะ อันนี้พระจ้บอกว่าเป็นทางสายเอก <c oughs> เพื่อสู่การ พ, นพ้นทะุกข์เนาะครันนี้ก็ในสติปัฏฐานสี่มีอะไรบ้างก็มีกายเวทนาจิตและธรรมเนาะ <c oughs> ชื่อเต็มๆก็มมคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนาะแล้วก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน แต่เมื่อกี้ที่เราสวดไปก็เป็นบ ท, บทกายบทเดียวนะเพราะว่ามั น, มนยาวก็เลยตัดมาเฉพาะบทกายบทเดียวก็ใหเาา้เรามารู้กายนั่นเองเนาะคือบ า, บ, าบางคนก็เข้าใจเข้าใจคลดเคลื่อนนะคือว่าการมาัติธรรมเป็นเรื่องที่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ต้องเป็นพิเศษนะต้องเป็นภาวะบางอย่างที่มันที่มันไม่ธรรมดาใช่ไหมที่มันมันเหนือว่าธรรมดานะหรือว่ามันเป็นอะไรที่มันแปลก นะซึ่งคนธรรมดาทั่วไปทำไม่ค่อยได้ทำนองนี้นะเราก็เลยไปค้นหาในสิ่งเหล EN ่านั้นกันนะให้จิตเกิดอะไรต่างๆขึ้นมานะดูแล้วมันคล้ายๆว่ามันเหนือปกติใช่แต่แต่จริงๆแล้วนะถ้าเราอย่างเมื่อกี้ถ้าเราสวดไปแล้วนะเราจะเห็นว่าก็คือมันเป็นเรื่องรู้ในเรื่องธรรมดานั่นเองใช่รู้ในเรื่องปกติในเรื่องธรรมดานั่นเองใช่เป็นเรื่องง่ายๆที่เราสามารถทำได้ไม่ยากนะเพราะ น, รรารนั้นในสมัยพุทธกาลนั้น คนก็เลยบรรลุธรรมกันเยอะใช่ไหมบรรลุธรรมกันเยอะมากเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องง่ายๆไม่ได้เป็นเรื่องอามาสจร่นพิสดารที่เราทํายากในทุกวันนี้เนาะอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ า, าให้ให้รู้ในอบทในบทใหญ่นะยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมยื น, น, น, น, น, นก็ให้รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้นั่งนอนก็รู้ให้รู้ว่านอนนะก็คือให้มันรู้ในเรื่องธรรมดานี่แหละใช่ไหม อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ว่าเราอาจจะลืมไปไมเป็นเรื่องลืมไปเพราะเราให้ไม่เลือกปกติเนาะแต่ว่าจริงๆไอ้รรตรงนี้เราเร า, เรารู้ตามเทวเจ้าว่าไหมจริงๆใช่ไหมอย่างเช่นคนเราเดินใช่ไหมมันก็เดินด้วยความเคยชินมากกว่าเดินด้วยการอัตโน ม, มัติเพราะมันมันเคยเดินมาตลอดชีวิตแล้วมันไม่ต้องมันตั้งใจเดินหรือว่ามันต้องอะไรทั้งสิ้นนะมันมันก็คือมันเดินนะั่นแหละ right? แต่ว่าเป็นการเดินด้วยความเคยชินเนาะ ขณะนี้การที่มันทําอะไรด้วยความเคยชินนั่นแหละมันเป็นความไม่รู้ตัวเพราะมันเป็นความหลงไปนะเป็นความที่เราไม่รู้ขณะนี้ลังทำอะไรอยู่นะขณะเดินเราก็จะคิดไปจะไปทํางานทันไหมรถจะติดไหมเนะย็นนี้ไปกินข้าวที่ไหนพุ่งนี้ไปเที่ยวไหนนะเมื่อกี้ปิดน้ําปิดไฟหรือ ย, ยังนะก็คือมันไม่ไม่ได้รู้การเดินหรอกแต่มันก็คิดไปในอดีตบ้างในอนาคตบ้างนะแต่ก็ไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ขณะนี้ใช่ไหม พระวิเทวีเจ้าพระเจ้าเ e ลยบอกว่าเดินก็ให้รู้ว่าเดินก็แค่กลับมารู้ว่าเดินเท่านัา้นเองนะมันก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมนะและ้วก็ในทิปย์จำบันเรานะก็มีหลายๆอย่างใช่ไหมพระวิเจ e ้าก็เลยบอกว่าในเรื่องทิพย์จำบันเราก็ให้รู้รู้ว่ากําลังทำอะไรอยู่นะมาก็เหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู้แขนเหยียดแขนก้มเงยทรงจีวรสังฆาติ ดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจจระปั ส, สวะก็ให้รู้ว่ากาลังทำอะไรอยู่เนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยใช่ก็คือให้กลับมารู้ขณะนี้กาลังทำอะไรอยู่เท่านั้นเองั น, ะนเป็นเรื่องที่เรียกว่าเรื่องธรรมดาเรื่องง่ายๆนี่แหละใช่เพราะว่าเราเราเป็นยังไงเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ใช่เราปกติเราความคิดเรามันจะ คิดอยู่ตลอดเวลานะแต่มันไม่เคยคิดว่าเรากาลังทำอะไรอยู่มันไม่ไม่กลับมารู้ตัวแต่มันจะออกไปข้างนอกมันยังคิดไปเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้ น, เนนะเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอ่านะเป็นประจํานะมันจะไม่ได้อยู่กับขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมะนะแต่ก็นี้ถ้าเราลองสมมติถ้าเราอ่าตอนนี้เราเกิดติดตีหรือเราพิกมือความพิกมือหงายนะจะลองทําดูก็ได้นะอ่าอ่าติดตีก็ได้พิกมือความพิกมือหงายก็ได้อ่านะกระทบนิ้วก็ได้เนอะ ตรงนี้ถ้าเราทำแล้วเราจะสังเกตว่าเออมันมันก็กลับมาใช่ไมมันมันจะกลับมาได้กลับมาอะไรกลับมารู้ที่กายเราใช่ไหมเพราะอย่างบางอย่างมันมีการกระทบรู้สัมผัสรู้นะหรือว่าเคลื่อนไหวรู้เนี่ยมันมันจะเป็นการกลับมาที่ตัวเราใช่คือจิตใจเนี่ยมันมันคือตัวเราอยู่ตรงนี้ก็จริงแต่ใจมันไม่ได้อยู่กับเราใช่ตัวเรานั่งอยู่นี่แต่ใจเรามันวิ่งไปโน่นกลับไปบ้านมั่งไปโน่นไปนี้มั่งใช่ไห เพราะว่าใจของเราเป็นแบบนั uh, ้นอยู <n. S 2> uh, so ่แล้วนะพระพุทธเจ้าก็เลยรู้ว่าใจเราเป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเออให้เราอยู่กับตรงนี้ได้ไหมกลับมารู้ตรงนี้ได้ไหมที่เรากําลังทําำในอยู่ใช่ไหมตอนนี้ถ้าเรามีการกระทบนะเราจะรู้ว่าเออมันก็มีความรู้เกิดขึ้นแล้วนะรู้ที่ไหนมันรู้ที่กายใช่ไหมรู้ที่กายใจมันก็กลับมากลับมารู้สึกใช่ไหมอ่ามันเป็นการที่รู้ว่าใจก็กลับมารู้สึกกลับมารับรู้นั่นแหละเพราะใจมันก็กลับมาได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราสมมติเรานั่งนิ่งๆใช่ไหม มันจะไปไปไกลไปยาวนะแล้วมันก็กลับมายากในชะ่ไหมเพราะว่ามันไม่มีตัวรู้มันก็ไปกับมันอยู่แล้วเป็นการที่เรียกว่าไปประจํานะเขาเรียกว่าเป็นการหลงไปเนาะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยฝึกปฏิธรรมในแนวจัังตีนี้จะไม่รู้เลยว่ามันหลงไปเป็นอย่างไรแล้วมันรู้เป็นอย่างไรนะเพราะว่ามันจะหลงเป็นประจําหลงจั่งร่ากายเป็นกลายเป็นเรื่องปกติของเขาใช่ไ้มมันความหลงเป็นเรื่องปกตินะไปเลยใช่ไหม แต่ถ้าเรามาฝึกเราจะรู้ว่ามันมันหลงไปแล้วนะเนี่ยเห็นไหมมันมันเกิดปัญญาขึ้นมันิดนึงแล้วมันรู้ว่าเออมันหลงเป็นไงใช่ไหลงอ่ะแล้วรู้ว่าเป็นยังไงด้วยมันจะรู้ระหว่างหลงกับรู้แล้วใช่ไหมคือความคิดมี2อย่างคือการตั้งใจคิดใช่ไหมเราจะทําอะไรอันนันเป็นเรื่องตั้งใจคิดอันนั้นถือว่าไม่หลงนะเพราะเราตั้งใจอีกอย่างหนึ่งคือการไม่ตั้งใจคิดมันมันคิดมันเองมันคิดทั้งวันมันคิดลยเราไม่รู้ว่ามันจะคิดอะไรต่อ นาที่อางหน้าจะคิดอะไรก็ยังไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่ามันคิดเองนะมันคิดเองก็เริ่กมันมันหลงไปใช่ไหมหลงไปมันก็นําความทุกข์มาให้เราต่างๆมากมายนําความปรุงแต่งต่างๆมาสู่จิตใจเรามากมายเพราะเรารู้ไม่ทันการหลงนะเพราะจริงๆแล้วมันมันหลงได้ไหมมันหลงได้นะไม่มีใครไม่หลงหรอกใช่ไหมนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมแต่ระดับเรามันก็หลงอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเรารู้ไหมเรากลับมารู้ไหมตรงเนี้มันสาคัญกว่าคือกลับมาได้ไหมกลับมารู้ไหมกลับมาตรงไหนกลับมารู้ที่กายก่อนนะอย่างเัง่อกี้ที่เราสวดไปแล้วนะกลับมารู้ที่กายก่อนยืนเดินนั่งนอนทําอะไรอยู่นู่นนี่กลับมารูที่กายตอนนี้เรากลับมารูที่กายมัาเราก็สังเกตได้มันก็รู้นะแต่ว่าเราก็ไม่ไปเพ่งไว้แล้วไม่ต้องว่ามันต้องอยู่รูกับเราตลอดเวลาไม่ไปไหนอันนั้นมันก็ผิดนะพรเราไปบังคับเขานั่นก็ไม่ใช่ความจริง นะแต่ครั้นี้เมื่อเราเราไม่ได้ไปเพลงนีง้มาเราก็ทำเล่นเล่นสบายสบายประเดี๋ยวเขาก็ไปนะเขาก็ไปเขาเองเอีกใช่ไหม น, นั้นคืออะไรนั่นคือความจริงนะความจริงว่าเขาก็มาแล้วก็ไปแต่เขาไปแล้วเขากลับมาได้ไหมมันสําคัญกว่าใช่ไหมไปแล้วกลับมาได้ไหมกลับมาเร็วไหมด้วยอ่านะมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถทำทำได้นะไม่ทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีมีเครื่องรู้ของใจนะหรือว่าเรียกว่าเป็นวิหารธรรมเครื่องรู้ของใจ ให้ใจมีงานทําให้ใจมีเครื่องรู้เนี่ยสำคัญใช่ไหมรู้ที่ไหนก็รู้ที่กายก่อนมาเราก็กลับมารู้กลับมารู้ในตรงนี้นะเขาก็ไปไม่นานเขาก็กลับไปไปกับกลับนะมันก็เป็นแบบนี้แล้วมันมีการไปแล้วมีการกลับนะเพราะฉะนั้นการบัติธร ร, รมครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นการกลับมานะกลับมากลับมากลับมารู้ที่ไหนกลับมารู้ที่กายก่อนใช่ไหมกลับมารู้ที่กายก่อนเราสังเกตได้เออเขามีความคิดอะไรเขากลับรู้ที่กายแล้วเป็นไง ความคิดบางทีมันก็ดับนะมันก็ดับไปเลยใช่ไหมมันก็เออรูปที่กายปุ๊บมันก็ดับไปเขามันมันเปลี่ยนจากความคิดมาเป็นความรู้มันก็ดับไปใช่ไหมหรือบางทีมันมันไม่ดับจริงแต่เรารู้แล้วเมื่อกี้มันคิดไปนะอ่าเมื่อกี้มันคิดไปแล้วใช่ไหมเออเราก็รู้เมื่อกี้มันคิดไปแล้วมันดับไม่ดับไม่เป็นไรแต่เราเห็นแล้วเมื่อกี้มันคิดไปแล้วหรือตอนนี้กําลังคิดอยู่แล้วก็รู้ว่าเออกำลังคิดอยู่ใช่ไหมเพราะนี่มันเป็นการกลับมากลับมารู้ในตรงนี้ปั๊บเนี่ย เขเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวน ะ, ะมันง่ายๆครรู้สึกตัวไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับอย่างที่ว่าดประวัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องยากแต่เป็นการง่ายๆทงนั้นกลับมารู้ในตรงนี้ใช่ไหมครา้นี้เราเราสังเกตดูไหมว่าความคิดมันคิดเรื่องอะไรใช่ไหมมันจะไม่ได้คิดตรงนี้นะมันมันจะไม่ได้คิดตรงนี้มันจะไม่ได้คิดว่าเรากำลงังกำลังทำอะไรอยู่แต่มันมันจะเป็นการเรียกว่ามันรู้แทนใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่มันคิดไปน่ยมันคิดในเรื่องอะไรเรื่องอดีตทนั้นเลยนะสังเกตนะเป็นเรื่องค อ, อย่างเช่นตอนนี้นะถ้าเรารู้สึกตัวเราตีๆเราจะไม่รังคิดว่าเออเรากำลังตีกาลังพลิกมือเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นความจริงใช่ไหมเป็นความจริงในขณะนี้ความจริงในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็าเรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมนะปัจจุบันธรรมนะเราเราตีๆหรือเรายกมือมันไม่ต้องใส่ความคิดใช่ไหมแต่มันเป็นการรู้นะนะหรือไม่เรากําลังนั่งอยู่ก็ไม่รังคิดว่ากำลังนั่งแต่ว่ามันเป็นความรู้นะ หรือว่าเรากาลังได้ยินเสียงพูดเราก็ไม่ต้องไคิดว่ากําลังได้ยินแต่มันเป็นความรู้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะนี่คือความจริงนะความจริงหรือปัจจุบันนี้มันไม่ต้องอาศัยความคิดเลยมันเป็นการรู้นะเป็นการรู้รู้ตร ง, ตรงๆรู้ซื่อซื่อรู้เฉยเฉยแต่ถ้าเราเออไม่เช้าเมื่อเมอื่อวานนี้เราทานข้าวกับอะไรใช่ไหมเราต้องคิดแล้วเออทานข้าวกับอะไรเนาะต้องอาศัยความคิดใช่ไหมหรือเย็นเนี้จะทําอะไรก็อาศัยความคิดใช่ไหมเพราะนั่นเป็นอะไร นั่นไม่ใช่ปัจจุบันนั่งเป็นอดีตหรืออนาคตนะเพราะมันต้องใส่ความคิดตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นความคิดมันจะต้องไหลไปเป็นอดีตหรืออนาคตแทบจะเท่านั้นนะหรือไม่ก็ไปปรุงแต่งเรื่องต่างๆแต่มันจะไม่เคยกลับมารู้ปัจจุบันเลยเพราะการรู้ปัจจุบันมันก็คือความรู้มันไม่มีความคิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่กับปัจจุบันแล้วเราจะเป็นตัวรู้เกิดขึ้นนะเป็นตัวรู้ที่ว่ามันไม่ต้องอาศัยความคิดแต่มันเป็นความรู้ใช่ไหม มันก็เลยออกจากความคิดไดใช่ไหมมันวิธีการนี네้เป็นการออกจากความคิดนะเราออกจากความคิดมารู้แทนใช่ไหมมันก็จะรู้น่ยรู้อยู่ในปัจจุบันนะปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าสําคัญมากพระพุทธเจ้าก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนั่นเองแตบอกว่าเดินให้รู้ว่าเดินไหมก็ Naruhodou มันอยู่กับปัจจุบนันมันเดินมันก็กลับมารู้การเดินเนี่ยใช่ไหม <c oughs> คือรู้กับปัจจุบันนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทั้งหลายๆก็คืออยู่กับปัจจุบันทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจับ หลักได้ว่าเราอยู่ปัจจุ บ, บันได้ไหมนะเราจะรู้ว่าเราอยู่จริงหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเราติดตีนะหรือเรายกมือสร้างบาตรก็แล้วแต่ขนาดที่เราตีหรือยกมือสร้างบาวะนี้ใจมันก็ไม่อยู่ปัจจุ บ, บันได้ใช่ไหมคือเราทําก็จริงแต่ใจมันไม่รับรู้อ่ะไม่คิดเรื่องอื่นคือทําแล้วมันเคยชินล้ว ท, ทํารักพักหนึ่งมันจะเริ่มเคยชินล้วถึงแม้เราสร้างยมงหวะอ ย, อยู่หรือเราเดินยมกลมอยู่มันก็ไปคิดรเรื่องอื่นได้คิดไปนู่นคิดไปนี่คิดไปยาวเลยนั่นอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะใจมัน ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยต้องสังเกตให้ไวน ะ, ะแม้แต่เรายกมือเป็นความเคยชินหรือเปล่าหรือเราเดินจงกลมกลายเป็นความเคยชินหรือเปล่าแล้วมันมั น, ม, นมันไม่ใช่ว่ามันก็คือให้กายและใจอยู่ด้วยกันรับรู้ด้วยกันนะมันเป็นการเรียกว่ากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทําอะไรใจทําด้วยกายเคลื่อนไหวใจรับรู้ใช่ไหมเพราะใจรับรู้ในทางกายแล้วมันก็จะอยู่กับปัจจุบันได้นะเราก็จะเริ่มสังเกต ตัวเลียงได้มากขึ้นแล้วมันก็คือการมาสังเกตกายและใจนั่นเองนะเมื่อเราจากการที่มันเคยหลงไปคิดออกไปนอกไปจำมันจะเริ่มกลับมากลับมาสังเกตกายและใจเราขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่ขณะนี้กำลังคิดกํลาลังอะไรมันเริ่มรู้แล้วอันนี้ก็เรียกว่ารู้เนือ้อรู้ตัวใช่หไหมมันมันจะเกิดการรู้เนือ้อรู้ตัวขึ้นมานะพอเรารู้เนือ้อรู้ตัวไปเรื่อยจิตก็จะเกิดการตั้งมั่นนะมันก็เกิดการตั้งมั่นขึ้นมาในการที่เราจะทําอะไรมันเริ่มที่จะ รู้รู้ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปบังคับก็นะมันจะตั้งมั่นมีความว่องไวของจิตนะมันจะเมื่อมันรู้ไปเรื่อยๆมันเห็นไปเรื่อยมันก็ตั้งมั่นแล้วเป็นผู้ดูผู้รู้ไปใช่ไหมจิตมันก็ม่วงว่องไวนะมันจะนะมีมีมีมีความว่องไวของจิตแล้วมันก็จะเบิกบานนะเป็นผู้รู้ได้ใช่ไหมเพราะฉนั้นถ้าเราสังเกตไหมว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องสมาธิเลยไม่ได้ว่าจิตมันต้องสงบนะมันไม่จําเป็นใช่อ่ม เพราะการที่จิตสงบมันจริงๆมันก็ไม่ได้สงบจริงๆรหรอกใช่แล้วก็เป็นเรื่องยากด้วยแม้แต่คนนั่งสมาธินะมันนิ่งสงบเลยไม่คิดอะไรแต่ขณะนั้นก็กาลังคิดว่าตอนนี้เราไม่ได้คิดอะไรไ ม, มันก็คือมีความคิดนั่นเองใช่ไแต่ถ้าเราเร า, เราดูว่าเออจิตมันสงบไหมนะมันก็ไม่จำเป็นต้องสงบใช่ไแต่ว่าจิตสงบแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่จิตสงบแล้วนั่นก็เรียกว่าจิตตั้งมั่นแล้วใช่ไห พเพรขาว่าสมาธิเนี่ยมันหมายความว่าจิตตั้งมั่นใช่ไหมไม่ใช่ว่าจิตสงบจิตเราตั้งมั่นได้ไหมจิตตั้งมั่นนี่แหละคือสัมมาสมาธินะถ้าเราส่วนในอรมากมายอย่าะจะบอกว่าสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านี้เรามีสติแล้วมันจิตมันก็สามารถตั้งมั่นได้เนาะมันเป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถที่จะมีสมาธิได้ในตัวเมื่อมีสติแล้วสมาต์เมื่อไม่รู้สึก มีสติลาสมาธิปัญญาจะตามมาหมดเลยนะเพราะตรงนี้มันมันเป็นการกระบวนการการเดินทางของการปฏิบัติธรรมคร น, นี้ถ้าเรามารู้ตรงนี้ทําไมเพราะว่าเราไม่ได้ให้จิตก็สงบนะแต่เราให้จิตก็ตื่นรู้นะเกิดการตื่นรู้ขึ้นมานะครนี้ถ้าเราสังเกตถ้าเรารู้ที่กายมาเรา ต, ตีหรือเรากระทบรู้เนี่ยจิตสามารถที่จะตื่นตื่นขึ้นมารู้ได้มันจะมีการตื่นรู้ขึ้นมานะ เขเรียกเป็นการเขย่าท่านรู้นะจากเมื่อก่อนถ้าเรานั่งนิ่งๆมันก็จะหลงไปใช่ไหมแต่เมื่อเรามีมีการตื่นรู้ที่กายก่อนใช่ไหมตื่นรู้ที่กายมันก็จะเกิดการรู้เกินตื่นรู้ที่กายคราวนี้เมื่อจิตมันมีความคิดแวบไปแล้วเรารู้ทันมันก็จะเริ่มกลับมารู้ทันเริ่มกลับมารู้ทันความคิดนั่นแหละกลับมาไม่กลับมาก็อีประเด็นหนึ่งแค่เรารู้ทันความคิดปุ๊บเขาเรียกว่ามันเริ่มตื่นรู้ในใจแล้วนะใจมันเริ่มตื่นรู้แล้ว ก็คือรู้กายตื่นกายรู้ใจตื่นใจนะครั้นนี้มันตื่นแล้วไม่มีประโยชน์อะไรก็รู้ว่ามันจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นผู้รู้ตามมาใช่ไหมเป็นผู้รู้เนี่ยพอหลังเงีผู้รู้ก็จะเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานนะอันนี้ก็คือพุท ธ, ธะนั่นเองนะพุท ธ, ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะซึ่งเป็นหนทางไปสู่การพ้นทุกข์ในตรงนี้เพราะว่าให้ติด้็ตื่นตื่นใช่ไหมด้วยนะ จิตมันเคยหลับไหลมันหลับไหลมาตลอดใช่ไหมไม่มันตื่นง่ายง่ายมันหลับไหลมันจะไม่รู้นั่นแหละเขาเรียกเป็นโมหะใช่ไหมโมหะคืออะไรโมหะคือการไม่รู้กายไม่รู้ใจหรือความหลงไม่รู้ว่ากายกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ใจกําลังทำอะไรอยู่มันก็เรียกว่าเป็นโมหะหรือความหลงพอหลงแล้วเป็นไงหลงแล้วมันก็ไหลใช่ไหมไหลเป็นเป็นความโกรธก็มีนะไหลไปในความโกรธอ่าไหลไปในความรักความชังอ่าไหลไปในความเกลียดความอิจฉาความกลัวความเหงาความเครียด ทั้งหลายแหละคือมันไหลไปหมดเลยเพราะมันหลงแล้วนะหลงแล้วคือไม่รู้กําลังทำอะไรอยู่ไม่รู้วใจกําลังทํำอะไรมันก็เลยไหลไปง่ายแต่เมื่อใจมันรู้แล้วเป็นไงมันรู้อ่ะมันรู้ความคิดปุ๊บมันก็จะรู้อย่างอื่นได้รู้อามเออมันโกรธแล้วนะมันรักแล้วนะมันชังแล้วนะมันเกลียดแล้วนะมันฉาแล้วนะมันหึงหวงอะมันรู้ได้ใมันรู้เพราะมันรู้แล้วมันรู้เน่ยมันมันมันมีธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วมันก็รู้รู้ได้ไวใช่ไหมคือคนเรามันก็รู้ได้ทุกคนแต่มันจะรู้ช้า บางคนกว่าจะรู้ว่าเราโกรธไปฆ่าคนตายแล้วก็มีครับไปฆ่าเขาตายแล้วก็มีค่อยรู้ตัวใชนะ่ไหมอ่านั่นแหละหลวงพ่อกำเคนเคยเล่านะมีอ่ามี ม, ม, มีมีลูกสะใภ้กับพ่อสามีนะอ่าพ่อสามีเนะี่ยวันหนึ่งก็ทะเลาะกันลูกสะใภ้ก็เลยมาฟ้องสามีบอกอนะ่าพ่อพ่อด่าตัวเองนะอ่าลูกชายก็เลยโกรธพ่อมากก็เลยเอาปืนไปด้วยขีม่มอเตอร์ไซค์ไปนะตอนนั้นกาลังเหนื่อยแล้วกําลังโกรธจัด อ่าเอเจอพ่อเพื่ปืนส่องพ่อเลยพ่อบอกยายายามึงอย่าทําลูกก็ซัดเตียงมาโดนหน้าผากพ่อเลยตายเลยนะพอพ่อตายเกิดสติมาเลยโอ้เราฆ่าพ่อแล้วเนี่ยร้องไห้ใหญ่ไปประคองศพพ่อแล้วก็ยอมมอบตัวนะเสียใจมากไปฆ่าพ่อแต่ขณะนั้นมันไม่รู้ตัวจริงๆนะมันเกิดความโกรธจัดเนีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีสติที่จะตื่นรู้อะไรทั้งสิ้นไม่มีมันไม่รู้เลยไม่เคยกลับมาเลยขณะนี้เราโกรธเรารู้ไหมขนาดพ่อตัวเองฆ่าได้เลยนะมัน มันอันตรายมากคุณหนึ่งก็ฆ่าได้หมดใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ไม่มีสติตื่นรู้มันเป็นเรื่องธรรมดาทุกวันนี้เราเห็นมันทีทะเลาะก็เล็นกน้อยกว่าฆ่ากาันตายลถป่าไปป่านมากาขาขา็ว่าฆ่ากันตายเนาะเพราะมันไม่มีสติที่จะรู้ในตรงนั้นว่าขณะนี้กำลัเงเกิดอะไรขึ้นในใจเราใช่ไหมนะเพราะเราไปห้ามไม่ได้หกความโกรธเนะี่ยหรือว่าอารมณ์ทั้งหลายความรักความชังห้ามไม่ได้แต่สําคัญว่าเรารู้ไหมเรารู้ไหมสําคัญกว่าใช่ไหมพอเรารู้แล้วเป็นไงมันจะเบาลงน้อยลงนะมันก็จะ จางลงหรือมันจะหมดไปหายไปได้แล้วนะยังความโกรธเล็กน้อยเนี่ยดับเลยนะดับง่ายๆเลยความโกรธมากๆก็เบาลงนะหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าผู้ใดโกรธนะผู้นั้นลาสมัยแล้วเพราะว่าไอ้สติมันมีกําลังใช่ไหมมันจะรู้ไวนะความโกรธนี่เป็นเรื่องที่มันเกิดเกิดไวเกิดเร็วแล้วดับเร็วด้วยแล้วมันแรงมันเห็นได้ชัดใช่ไหมเพราะฉบางทีเราโกรธแล้วเราสามารถสังเกตได้ไวขึ้นนะมันก็ไวขึ้นมันก็รู้ทันปุ๊บมันก็เบาลงใช่ไหม อ่าสังเกตดูคนทะเลาะนะบางทีเราเห็นแม่ค้าทะเลาะกันเนี่ยคือถ้าแม่ค้าทะเลาะกันหรือด่ากันถ้าใครหยุดก่อนแสดงคนนั้นแพ้นะเพราะมันจะด่ากันไม่ยอมหยุดเลยมันด่ากันอุตลุดไปเลยเพราะว่าเขาไม่มีสติไงนะแต่เมื่อเมื่อใดที่เขาเริ่มมีสติไอ้คนที่หยุดนั่นแหละคือคนชนะใช่ไหมเพราะมันมันหยุดนะมันรู้ตัวแล้วมันหยุดหยุดด่าเขากลับมันนั่นแหละคือคนชนะนะไม่ว่าคนที่ด่าแล้วมันจะชนะคนที่หยุดนั่นแหละก็คือคนชนะเพราะนั่นเมื่อเราโกรธแล้วนะมีใครก็มาด่าเราหรือมาว่าเรานะ เรารู้ตัวไหมเรารู้ตัวแล้วเราก็หยุดนะเราก็ไม่ไปพูดต่อไม่ไปอะไรไม่ใช่ว่าเราพูดด้วยการมีเหตุมีผลหรือว่าเราอธิบายก็ฟังนั่นแหละยิ่งอธิบายนะมันยิ่งเกิดการโตเถียงมากว่าขณะนั้นเขาก็มีลมร้อนใช่ไหมหรือถ้าเรามีลมร้อนมานกลายเป็นโตเถียงไปเพราะเราหยุดปุ๊บเนี่ยมารู้สึกตัวใช่ไหมเพราะการที่มันโกรธนะมันง่ายนิดเดียวกลับมารู้ไหม ร, ร, รู้แล้วก็หยุดนะหยุดพูดก่อนแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวนี่แหละนี่แหล ะ, หละคือผู้ช leton, นะใช่ไหมเพราะแ น, นวลมต่างๆเราเราห้ามเขาไม่ได้นะ แต่เรารู้ได้ใช่ไหมเรารู้ได้นั่นแหละเราต้องรู้ให้ไวนะถ้ารู้รู้ไม่ไวมันก็อย่างที่ว่าไปฆ่าเขาแล้วค่อยรู้ตัวมันก็ช้าไป่นะแต่การที่รู้ไวก็เกิดจากจิตมันตื่นแล้วใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ดีมันจะรู้ไวมันต้องจิตมันตื่นการทําให้จิตมันตื่นก็คือการรู้สึกตัวเนี่ยกลับที่กายก่อนนะมาสังเกตที่กายก่อนมารู้ที่กายก่อนรู้เนื้อรู้ตัวก่อนนะพอรู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันจะสังเกตใจได้คือมันใจจะเริ่มละเอียดแล้วมันจะเริ่มเห็นความคิดได้แล้วใช่ไหมตรงนี้เราก็จะสังเกต ติดใจได้ไวขึ้นนะแต่ใหม่ๆก็ยังมึงไปยุ่งกับความคิดเรามารู้ที่กายก่อนแล้วต่อไปจะเริ่มสังเกตได้มันคิดว่าไปรู้ทันว่าแบบไปรู้ทันแต่ไม่ไปตั้งหน้าตั้งตาดูความคิดนะอันนั้นไม่ไปไปเฮ้งไปจ้องอีกนะเรามารู้ที่กายแล้วสังเกตความคิดได้เมือม่อม่ใจเขาตื่นตัวได้ได้ระยะหนึ่งหรือว่าเขาเขาเริ่มจะรู้เนื้อรู้ตัวหรือเริ่มรู้ชัดหรือว่าจิตเริ่มตั้งมันบางแล้วตอนนี้นะเราก็สามารถที่สังเกตความคิดได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเราจะทําอะไรก็ได้ แม้แต่เราทําในชีวิตประจำวันก็ได้ใช่ไหมล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําหรือว่าอะไรมันจะเริ่มสังเกตความคิดได้ใบขึ้นนะเราก็เห็นมีความคิดแล้วก็รู้ทันมีความคิดแล้วก็รู้ทันนี่แหละคือตรงนี้เราสามารถเอานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปใช่ไหมก็คือเราลูกตัวในชีวิตประจำวันแล้วก็ตื่นเช้าก็อาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าพับที่นอนนะเปลี่ยนเสื้อผ้ากวาดบ้านถูบ้านตรงนี้พอเรา อยู่กับการรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันเราก็สังเกตความคิไดได้ง่ายขึ้นได้ไวขึ้นเพราะเราเราสามารถสังเกตเขวได้แล้วนะมันก็จะเริ่มไวขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราสังเกตเป็นแล้วเราไม่ได้ไปคอยเพ่งเขาคอยดูเขาคอยตะ ค, คุบเขานะั้นไปเพ่งเอานะจิตจะเกิดความเครียดความแน่นอ่ารู้สึกไม่ไม่สบายใจนะเกิดความอึดอัดแล้วก็เกิดการมึนหัวนะแสดงว่าเราไปไปเ พ, เพ่งเขาแล้วนะอันนั้นทําผิดแล้วแต่เมื่อเราทําเป็นรักสบายๆแล้วก็สังเกตก็ได้แป๊บหนึ่งก็รู้ทันแป๊บหนึ่งกรู้ทัน หลังนั้นจิตจะเริ่มตื่นรู้ไปเรื่อยนะมีอารมณ์ต่างๆเข้ามาจะรู้รู้หมดเลยนะขณะนี้กําลังไม่พอใจกําลังหงุดหงิดนะคือเมื่อก่อนเราโกรธนะมันยังเข้าสู่ความโกรธย่างรวดเร็วแต่เมื่อจิตมันตื่นรู้แล้วเราเห็นเล็กน้อยนะใครมันทําอย่างเดิมเก่านั่นแหละทําเหมือนเก่าเลยเมื่อก่อนเราเคยโกรธแต่ว่าเรารู้ต่อหลังรู้ทันแล้วกำลังหงุดหงิดนะกําลังไม่พอใจกําลังขัดเคืองนะคือมันเริ่มเห็นอาการเล็กๆน้อยๆก่อนจากการเห็นอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะดับ ความโกรธที่จะตามมาได้นะมันไม่ต่อเลยนะ ม, นมันมีกําลังนะกําลังสตินี่เรียกวเป็นมหาสตินะมันรู้ทันปุ๊บมันดับดับได้ไวขึ้นนะเพราะลมต่างๆนี่มันอยู่ในใจเราไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจริงๆอารมณ์ต่างๆนะความโลบความโกรธความหลงก็ดีเลยแล้วก็ดีมันกลัวอยู่อย่างเดียวนะกลัวกลัวสิ่งเดียวคือกลัวเราลูทันอ่าเพราะเรารููทันนี่มันอยู่ไม่ได้นะถ้าเรารู้ไม่ทันนี่ใจเราจะเป็นซ่องโจรซ่องโจรคือการสะสมกิเลสทั้งหลายแหลนะ่มันอยู่ในใจเรานะ คือจริงๆแล้วมันไม่ได้สะสมหรอกแต่เมื่อเราไม่รู้ไม่ทันเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วคือมันมีอาสวะกิเละอยู่ในใจยอยู่แล้วนะเมื่อมีกระทบกุ้งตาเห็นรูปกู้ได้ยิงเสียงที่ไม่พอใจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยนี่ก็คือซองโจนเห็นไหมนี่ซองโจนแต่ซองโจ น, นีมันจะโดนทลายได้ง่ายนิดเดียวก็คือแค่เรารู้ทันมันเกิดอะไรขึ้นมาเราเราห้ามไม่ได้ไหมความโลภความโกรธเราห้ามไม่ได้แต่เรารู้ทันไหมเรารู้ทันปุ๊บเข้ากระดับไปน้อยไปนี่แหละคือการทลายซองโจนนะเพราะนั้น เราสามารถทลายท่องโจรได้ทุกคนนะไม่ว่าทลายไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทําได้ถูกไหมทำได้ถูกทางไหมนะถ้าเราทำได้ถูกทางแล้วหนทางที่จ ะ, ะจิตใจเรานะกิเลสทั้งหลายจะเบาบางลงมันก็ไม่ยากนะแล้วนี่เป็นหนทางที่เรียกว่าเราสามารถดําเนินได้อย่างไม่ยากในชีวิตประจำวันเราแล้วก็พวกเราก็ไม่มีเวลาที่จะอยู่วัดนานๆเราต้องกลับไปอยู่บ้านเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถไปทลายซ่องโจรที่บ้านเราหรือที่ทํางานต่อก็ได้ใช่ไหมเพราะมัเลือกไม่ยากนี่ยเราก็ อาศัยในตรงนี้กลับมารู้กายรู้ใจนะเราจะรู้สึกว่าออการมาทรมก็ไม่ยากนะอยู่ที่ไหนๆอยู่บ้านก็ทำได้นะมันก็จะได้จเจริญในธรรมต่อไปนะเอาละในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระไตรน้อมนงทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอญ